นัปติปัต ส, สัมเพตพระเตจตาริสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สง์ไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลทัทิฏฐิบาปหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลทัทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ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 สงฆ์ไม่พึงระงับอุเคเขปนียกรรมเพราะไม่สลัดทิฏฐิบาปแก่ภิกษุประกอบได่องค์หเหล่านี้แลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับอุเคเขปนียกรรมเพราะไม่สลัทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะการไม่สละทิฏฐิบาปอีก 2. ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกัน 3. ต้องอาบัตที่เลวทามกว่านั้น 4. ตํตำหนิกรรมตําตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลาย สงไม่พึงระ ง, งับอุคเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หเหล่านี้แหลหมวดที่3ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับอุคเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการกราบไหว้ของปตัตจตตภิกษุ สยินดีการลุกรับของปกตัตตภิษุทิ 3. ยินดีการประนมมือของปกตัตตภิกษุ 4. ยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตภิษุทิ์ห้ายินดีการนำอาสนะมาให้ของปกตัตตภิกษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบา แก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าเหล่านี้แหละหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกตจตตภิกษุ สยินดีน้ำล้างเทา้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกตัตะภิกษุ 3. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตัตะภิกษุ 4. ยินดีการรับบาดและจีวรของปกตัตะภิกษุ 5. ยินดีการที่ปกตัตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำภิกษุทั้งหลาย สงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่5ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใส่ความประกตัตตภิกษุด้วยสีละวิบัติ 2. ใส่ความปักกตะตะภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ใส่ความปักกตะตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ใส่ความปักกตะตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ยุโยงปกกัตตะภิกษุให้แตกกันพิกษุทั้งหลายสองไม่พึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าเหล่านี้แหลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัตสอใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถี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 สงไม่พึงระงับอุปเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกจัตตะภิกษุ 2. อยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกจัตตะภิกษุ 3. อยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตตะิิสุ 4. เห็นปกตตะิิสุแล้วไม่ลุกจากอาสนะ 5. รุกรานปกตตะิิสุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารพิกสุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลัดทิฏฐิบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์าเหล่านี้แลหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์8คือ 1. งดอุโบสถแก่ปกตัตตภิกษุ 2. งดปวารณาแก่ปกตัตตภิกษุ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 สงไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหลนับปฏิปัสัมเ พ, พตพระเตจัตารีสกะในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ